ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โรวงปโนตยญาณกำลังนำเสนอเรื่องสมากมันตะคือการงานชอบและมาขยายผู้อวาหานแห่งอธินาทานรานนี้เป็นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกนึกคิดในเรื่องเหล่านี้มันจางลงไป ก็ควเน้นแก่ตัวสูงขึ้นความโลภจัดมันมากขึ้นไม่ได้ใส่ใจว่ามันควรจะได้หรือไม่ควรจะได้ก็เห็นว่าได้ไประโยชน์แกตัวเองแล้วก็รับเลยแม้แต่บางครั้งบางคราวเนี่ยคือของที่เขามาถวายพระเนี่ยเราก็ตกใจเหมือนกันคือถ้าผิดสังเกตมันต้องสอบถามอ่ะ หรือเราไม่สอบถามแล้วไปรับในบางทีมันก็เสี่ยงเราของนี้ลับขโมยมาหรือเปล่าวพนั้นบนเส้นทางตรงเนี้ยได้มาด้วยความสะอาดจะต้องสะอาดหมายความมเจตนาในการได้ในการรับแล้วก็สิ่งที่เราได้เรารับมาแล้วก็ความเป็นมาของสิ่งโดนั้น จะต้องมีความชัดเจนอะไรก็นี้ยกตัวอย่างคล้ายๆกับเรื่องรถจนอะไรแต่เราซื้อรถจนมือสองมือสามมือสี่มือต่อใดก็ไป็นด้วยเต้องมีความชัดเจนในแง่มุมของข้อกฎหมายด้วยเบอรเผอไม่ดีไม่ดีกลายเป็นรับของโจรไปคือกลายเป็นสมโจรไปเพราะในแนวตรงนี้ยังมีอีกหลายคําที่ท่านถือว่าเป็น เป็นอธินาทานทั้งหมดนะครหมายความว่าในแง่มุมของกฎหมายเองหรือถ้าเราไปดูกฎหมายเนี่ยเขาก็อาศัยในย่าตรงนี้เบ้างกันเพราะว่าครูบาอาจารย์รุ่นแรกในกฎหมายก็เป็นท่านมหาป ร, รียานนะฮะดูสมบัติสำนวนท่านเขียนหนังสือหนังหาภาษาเนี่ยสละสลวยไปเราะโดยเฉพาะคำไม่พกษาสันนิการเนี่ยไปเราะมากนะหน้าอ่านไม่ เป็นภาษาที่แหลมคมลึกซึ้งแสดงเรื่องความเข้าใจคำา น, นี้ท่านเอามาใช้เชันคำว่าตรบัตตรบัตนั้นหมายความว่าหลายเรื่องกันนะฮะคืออาการที่นำของต้องเสียภาษีผ่านดานที่ต้องเสียภาษีมาโดยไม่ไม่ไม ไม่เสียภาษีเหล่านั้นเราซ่อนของเหล่านั้นเสียหรือไม่สําแดงทําความเป็นจริงส่วนใหญ่พวกเราก็ไปทางเครื่องบินนะั่นนะฮะไปทางเครื่องบินหรือว่าลงไปทางอะไรจะไปต่างประเทศทางดันพมา่าทางด้านลาวทางดันกัมพูช์ทางด้นนัดนออมาเลเซียอะไรตายนี่ยมันโอกาสโอกาสที่จะถูก เก็บภาษีหรือเอาของหนีภาษีเข้ามาเนี่ยคือสบายที่สุดก็คืออย่าเอาอะไรมาเราไม่รู้อะไรมันต้องเสียหรือไม่ต้องเสียแต่ดูเทียนบอกของเขาถวายอะไรแต่ใรเนี่ยก็ไม่ต้องเอามาหรอกเพราะว่ามันก็เสี่ยงเสียงสบายใจก็คือไม่ตอนตอนไปเราก็แจ้งเราจะเอาอะไรไปเช่นเอาหนังสือหนหาอะไรแต่ใดไปแจกเขา ฮะไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าตอนมาในที่จริงก็ไม่ควรจะไม่ควรจะเอาอะไรมาเพื่อเผื่อเหนียวหรือถ้าเอามามันก็ต้องแจ้งตงามความเป็นจริงจากสวนก็จะเก็บหรือไม่เก็บปฎเกณฑ์ไปยังไงเราก็ไม่รู้มันมันก็กดของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องตอ้อง ร, ระมัดระวังตอ้อง ร, ระมัดระวังมากเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกฎเกณฑ์ต่างๆที่เขาปัด เรพึ่งปฏิบัติกันเป็นยังไงแต่อย่าลืมว่าต้องมีทยายจิตนะฮะคิดจะทําเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้เขาเรียกว่าสํานวนบาลีเขาเรียกสัจิตตระกะจะต้องจงใจฮะต้องจงใจบางทีไม่รู้หรือไม่เข้าใจเนี่ยแต่ก็จะเรียกคืนเนี่ยเขาเรียกเป็นพันธะไทยเกเรเราก็ใช้คืนก็ได้ในกรณีที่เราไม่มีความจงใจไม่ไม่เข้าใจอนะฮะ การกระทําเหล่านี้ที่จริงใจเราเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่คือสี่ตั้งสี่ข้อแหละสีข้อแรกเนี่ยแต่เราจะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าจะเป็นบาปหรือเป็นบุญผิดถูกผิดหรือถูกเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาของเราข้อต่อไปก็ป้นอันนี้ก็เห็นกันชัดๆเลยนะกระบชัดก็ไปแก่ชักชวนไปทําพวกโจรกรรม ไอแนวพวกนี้จริงเป็นแนวโลกโกรธหลงที่แรงนะฮะคนเราลงขนาดว่าลงมือปล้น่งเียมันก็นมันก็นชั่วแรงกันคือจะเห็นอาการของโลกโกรธหลงที่หนุนเนื่องกันไปในอัตรกรถาเนี่ยท่านเล่าถึงคนกลุ่มหนึ่งเป็นเพื่อนฝูงกันมาตั้งแต่เล็กแล้วก็นิสัยเร็วๆกันพอร้องกวนนะนะฮะ รักเล็กขโมยน้อยไปก่อนก็เห็นว่าได้ดีพ่อแม่เองก็รู้สึกสบายนะฮะลูกหางเงินเข้าบ้านตั้งแต่เด็กแต่น้อยก็แสดงความชื่นชมสอนลูกไปเป็นโจรกันจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกนี้ไปรักขโมยของใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ถึงต้นต้นก็ได้มาเยอะยๆทางบ้านเองยังไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเพราะความโลภเนี่ยมันจะเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ย ต่อมาคนกลุ่มนี้ยไปปล้นออกกองคาราวานเกวียนโด น, นึกดูว่ากองคาราวานเกวียนเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนคนมันเยอะแล้วก็ต้องสู้รบกันก่อนบาดเจ็บล้นตายก็หนีภัยอันตรายไปพวกเกวียนเพราะงั้นมันถ้าบาดเจ็บไปได้ก็กระเสือกกระสนไปแตาไม่งั้นก็ตายหรือแมง้นก็หนีไปเลยพวกจวนก็ตายเยอะแต่พอมา จะแบ่งทรัพย์สมบัติกันแล้วแยกย้ายกันไปยมันเจอว่าทรัพสมบัติมันเยอะเพราะว่าไปขายของมาแล้วก็มีเงินมีทองมีเงินมีทองกลับมาด้วยนะฮนะในขณะเดียวกันก็มีของมีสินค้าอยู่ด้วยพวกนี้ก็เกิดโลภ ก, ก็อยากได้ต่างคนต่างก็อยากได้มากนะเพราะว่าพอเห็นของมากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะโลภมาก ไม่เป็นปกติธรรมดาอย่างนี้ท่านลองสังเกตก็ได้นะบางทีเรารับประทานอาหารเนี่ยของมาตั้งอยู่ไกลนะขอให้ขอให้เพื่อนส่งมาให้คืมือไม่ถึงของตั้งอยู่ไรอยากจะกินของไกลๆนะธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ในื้อสุดก็ไม่ยอมกันไม่ยอมกันก็ถกเถียงถกเถียงกทยง็ทะเลาะทะเลาะลกันก็นก ตะลุมบองกันเลยรบ ก, กันไปรบ ก, กันมารบ ก, กันมารบ ก, กันไปก็ยังเหลือสองคนไอสองคนเนี่ยมีเลขกระเทศทั้งคู่เลยกลัวไม่กล้าเสี่ยงกลัวตัวเองจะตายและจะไม่ได้ทรัพย์สมบัติเลยก็มานั่งคุยวางแผนกันทรัพย์สมบัติอะไรก็เหลือพูดเพราะทั้งนั้นนลยนะพูดเพราะทั้งนั้นตกลงไว้เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยไปซื้ออาหาร กินอาหารกันแล้วก็แบ่งทรัพย์สมบัติกันแล้วก็ชวนกันไปเพื่อนเองก็คิดอีกเรื่องหอนึ่งนะไปเซื้ออาหารแล้วเรากินอาหารอิ่มแล้วเอายาพิษใส่ให้เพื่อนกินให้ตายแล้วเราก็เอาทรัพย์สินไปคนเดียวไอ้คนที่เฝ้าทรัพย์สินมันก็คิดกับมันเหมือนกันท่นบอกว่าเวลาเพื่อนมาพอเพื่อนส่งอาหารให้ก็แทงเพื่อนให้ตายแล้วก็เอาของในเกวียนไปคนเดียว ก็ในที่สุดก็ทำตามแผนนะฮะก็นึกออกว่าตายหมดแหละคือไม่มีคนก็เคยเล่านิทานเรื่องนี้นานแล้วหลายปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วไปเล่า้ ญ, ญาติโยมก็ฟังในโครงการแผ่นดินทําแผ่นดินทองก็ไปชุมกันที่โรงแรมเบียงตายเนี่ยถามในที่ไปชุมมายอมโยมาทองก่อนหรือเจะทาก่อนแผ่นดินทําแผ่นดินทองเนี่ยเจ้าทองก่อนหรือทําก่อน ปกติประชุมไม่แน่ใจไม่กล้าตอบแล้วก็เล่าเรื่องนี้ฟังบอกว่าเราวาดหวังที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองให้เป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองเนี่ยทำต้องมาก่อนทองนะฮะถ้าว่าทองมาก่อนทำแล้วมันเกิดโลคแล้วมันเกิดแย้งกันแต่ถ้าทำมาก่อนเนี่ยก็ได้ตามต้องควรแก่ฐานะ โดยชีวิตยังอยู่แล้วก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงความคิดในปัจจุบันบางกลอนก็ไปอภิปรายเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาเน้นที่การศึกษานะฮะไม่ใช่เน้นที่การไปรูปการศึกษาคือไม่ได้เน้นที่ในกรณีของศาสนาก็บอกกรรมการเขานะฮะกรรมการในเก้าคนหนะึ่งคนในเก้าคนแล้วก็กรรมการสวนหนึ่ง บ้านห่งความรู้สึกเนี่ยมันฝันมันมีลักษณะเป็นวิมานเมฆวิมานทรายคือเราลุยไปเรื่องการศึกษายอย่างเดียวแต่เราไม่ได้คิา เ, เงินมาจากไหนคนก็เราในเต ร, รียมพร้อมไม่ได้หรือยังแล้วการศึกษาลักษณะนี้มันจะมีความเสี่ยงขนาดไหนยังไม่มีใครรู้ฝรั่งมาเลิกใช้ไปแล้วอะ่ะทําไมเอาเศษของฝรั่งมามาประพฤติปฏิบัติกัน แล้วแม้แต่ว่าคําตอบบางเรื่องเช่นเะอาเด็กเป็นศูนย์กลางหมายความเป็นยังไงเราก็สอนหนังสือมานานแล้วนะครสอนมาสี่สกว่าปีเราก็นึกไม่ออกเอาเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยคืออะไรคือถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงธรรมะเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางมันมาอยู่กันตรงนี้ยมามาพบกันตรงนี้ยเราดูที่พระรัตนตรยัยเราก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะสำเร็จรูป คือการเคลื่อนไหวของพระองค์เป็นธรรมะล้วนๆพระสงเองก็คือคนที่พยายามศึกษาพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่อสัมผัสธรรมะเพราะธรรมะมันก็กลายเป็นเกณฑ์เป็นมาตรเป็นเครื่องวัดแล้วก็วัดจากข้างในแต่เขาก็ใช้วิธีวัดจากข้างนอกมันก็กลายเป็นปัญหาในในภาคที่จะสื่อสารกันไอ้ข้อมูลต่างๆที่สะสมกันมาเป็นร้อยรปีเนี่ย เด็กมานั่งเริ่มไปสังเกตพฤติกรรมของหนอนของมแมลงของต้นไม้กันใหม่แล้วมาจดบันทึกมาทํารายงานอะไรต่อไรโอ้ยแล้วของเก่าเอาไปไหนล่ะคือยังยังหาคนอธิบายไม่ได้เพราะเคยถามในที่อบรมครูนี่ถามหลายครั้งกันไม่มีใครกล้าอธิบายปพอธิบายที่จริงก็มั่ว อย่างนึกว่าแม้แต่กรรมการก้า9ท่านเนี่ยอธิบายแล้วคนอื่นก็เข้าใจรือเปล่าในภาคสนามนีอันนี้ก็คือคือออกมานอกเรื่องหน่อยนะฮะแต่ว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระจ่ า, จาใดที่เรายังมีความไม่รู้ยังมีความโลภอยู่เนี่ยปหัหาต่างๆมันจะทยอยติดตามมาไปเร่ในกรณีนีเน้เราจะเห็นว่า อานการของโลภะโทสะโมหะมันแรงแรงก็ป้นร้นถ้าเขาต่อสู้ขัดขืนก็ฆ่าฆ่าแล้วก็อาจจะรุนแรงจนถึงก็ขุมขืนเจ้าทรัพย์แล้วบางทีก็เผาบ้านเขาด้วยนะเราจะเห็นอาการโลภะโทสะโมหะมันเข้มข้นกินไปเรื่อย เราดูกิเลสจริงพยายามดูที่ใจนะพยายามดูที่ใจเราด้วยดูให้ได้แล้วสมมุติว่าเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราถ้าเราไม่โลภเนี่ยเราจะปล้นไหมแล้วถ้าเราไม่โกรธเนี่ยเราจะฆ่าเขาไหมถ้าเราไม่หลงเนี่ยเราจะทําอย่างนั้นไหมมันจะได้คําตอบเลยว่าะเนี่ยมันเป็นอาการของ โ, โรคปวดหลงราะถ้าคนคนมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดเขาไม่ทำหรอกมันเป็นหมูวิ่งก็หาปังตอเฉ ย, เฉย อาเรื่องในตัวเองเดือดร้อนมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่ว่านั่นแหละคือโลกมันก็คือโลกกันะข้อต่อไปก็คือหลอกลวงเรา ล, ลวงในใช้หลายวิธีหลายเรื่องหลายราวสารพัดนะครับสารพัดเราอาจจะเป็นหลอกคนบอกว่าท่านผู้ใหญ่สาาั่งมาอย่างนั้นอย่างนั้นนายขอให้ให้สตางค์ก่อนอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรก็ว่าไป อาจจะมีจดหมายมาหลอกลวงก็ได้หรืออาจจะอะปลอมสิ่งของขึ้นมาแล้วก็ทําเหมือนกับของจริงมาหลอกลวงขายก็ได้เป็นต้นคือทรัมสารพัดแต่เวเนี่ยปลอมแปลงสิ่งทั้งหลายเราสังเกตว่าแม้แต่อะไรละ่ะอะไรละ่ะพวกเครื่องเกียร์กระดนตรีเนี่ยก็ได้ซีดีอะไรเพลงหน้าตาเนี่ยเว่เนี่ก็ปลอมกันเกลื่อนเลยเขาบอกขนาดคอมพิวเตอร์อยังปลอมนะ ก็เป็นปัญหาที่น่ากลัวน่าห่นใหญ่เรื่องอะไรต่างๆในแต่ละเรื่องนีคือคนมองแต่ตัวเองจะได้ไม่ได้มองถึงคนอื่นก็จะเสียหายยังไงเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะตพรฐานสาคัญของสังคมเนี่ยถ้าหากว่ามนุษย์ยังไม่เชื่อเรื่องบาบุลคุณโทษและไม่เห็นโทษของกรรมกิเลส4ีประการนะ กรรมกิเีประการก็คือเนี่ยก็คื อ, ค, อคือกุศลกับบดเจ็ดข้อแรกเนี่ยมันออกมาเป็นกุศลเป็นเป็นกรรมกิเลสสประการยากที่จะควบคุ ม, มจิตใจของคนเอาไว้บล้วก็มะข่าวเราก็ไมไ่ค่อยได้สังเกตนะไม่ค่อยได้สังเกตว่าอาการก็ความโลภที่บังเกิดขึ้นเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ดูดำดูเดียอ แล้วก็ทําไปโดยไม่สุขคิดไม่เฉลียวคิดความโลภจึงเป็นอันตรายเพราะว่าโลภมากเนี่ยก็แสดงโง่มากอ่ะคือโรกอ้วนหลงนี่ก็เกิดเขาเกิดร่วมกันแล้วอย่าลืมมาถ้าทําให้โกรธแล้วจะโกรธแรงจะโกรธแรงมาพวกนี้ที่จริงมันมันเกิดขึ้นด้วยกันแหละเพียงแต่ว่าอะไรนําก่อนนาหลังเท่านั้นเองแต่โมหะก็จะเป็นรากเง้านะประการต่อไปกดขี่ด้วยกันโชค เป็นการใช้อำนาจเป็นเรื่องของเจ้าพ่อใหญ่ก็ขี่ยังนึกถึงภาพสมัยที่ไปเรียนที่อินเดียผู้กกับตําหนูตของอินเดียนะตัวตัวไม่ใหญ่อะก็ส่งมาทางใต้หละส่งขึ้นมาทางใต้เพราะว่าเจ้าพ่อมาเฟียบรรยายแล้เกินที่นั้นแกปลอมตัวมาไม่มีใครรู้ถูกเจ้าพ่อมาเฟียให้ลูกน้องซ้อม ลูกน้องซ้อมต่อยเสร็จแล้วแกก็แสดงตัวลูกน้องตำรวจก็มีนะลูกน้องตบรวจก็มีอยู่จับอะก็จับแกตีขาหักแลยสองขัางแล้วก็ใส่รถรุนในรถรุนขาย ข, ายของในตลาดอ่ะรถรุนอย่างเงี้ยขายตระเวนไปที่สารานาดนะาานะเทศบาลต่อกระหายน้ําขึ้นมาเนี่ยแกให้ปัสสาวะได้ให้ดื่มปัสสาวะเลย โอ้โหกระดูเดือดมากเลยแต่พระเจ้าพ่ออันดภานก็โหดหัวไปหมดเหมือนกันนะคือพวกเหล่านี้มันมันพวกมากใช้พวกมากเลยชอบขู่กันโชคคนอื่นแสดงอำนาจความยิ่งใหญ่ของตัวเองเพราะคนเหล่านี้บางทีเนี่ยมันต้องแข็งแล้วก็ตามโดยละเอียดเราต้องใช้มาตรการอะไรสักอย่างหนึ่งถึงถึงกำาบให้อยู่ซะก่อน วันนี้เรายอมสยบอะไรมากเกินไปมันก็ไม่ได้หรอกนะฮะบ้านเมืองเนี่ยคือสังคมเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีวิธีการของศาสนาเนี่ยอย่างที่พระเจ้ารับสั่งไว้วัดดุกอนอนนานนท์เราจักกนาบแล้วกนาบอีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปอันนั้นก็คือมาตรการที่เข้มงวดโอรจริงโอจังใช้วิธีการกำราบเหมือนกับตีเหล็กเหล็กมันก็มันใหญ่อะ่ะ ต้องใช้ไฟแรงใช้ทั้งใหญ่ต้องใช้คอ้อนใหญ่แกไฟก็ต้องแรงไม่งั้นมันเผาหลอมละลายมันไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกันบางคนมันกระด้างไปเกินเนี่ยขนาเนี้ยไอ้เจ้าพ่อเบงเนี่ยที่เตะเนี่ยกดขี่กันโชคเนี่ยมันก็ผลนี้จะเบงมากเลยนะแต่ว่าถ้าจับได้แล้วนี่จะหงอมาเหมือนกันเพราะว่ามันจะใช้พวกมาก ใช้อำนาจติดติพลข่มขู่คุกคามคนทั้งหลายที่จริงมันไม่แน่จริงอะไรเท่าไรหรอกแต่คนไปไปยอมสยบมันเฉยเอยภาวะยอมจำนนในสังคมเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้อิธีการที่จะแก้ปัญหาก็คือว่ามันต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยจะต้องมีความเฉียบขาดในการใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมาย แต่แน่นอนเราก็ให้ความรู้ให้เหตุผลให้สติปัญญาแนะนำสั่งสอนปลูกฝังสร้างลาักษณะนิสัยที่ดีงามเอาไว้ตั้งแต่เป็นเด็กๆ เ, เนี่ยเอาไม่อยู่ก็ต้องต้องใช้อีกมาตรการหนึ่งเพราะถ้าไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมันมันจะเป็นปัญหาในเรื่องนี้สมัยสมัยามาเป็นเดนนะคือยังนึกถึงอยู่ทุกวันเนี้ยไ ม, ม่มีลูกศิษย์ เราก็เพิ่งรู้ทีหลังว่าอายุแกอ่อนกว่าเราสองปีต่นั่นเองเราเป็นเนตอายุสิบกว่าปีสิบสิบหกปีนะแกก็อายุสิบสี่ 10, ปีนะแนั่นเองก็เพิ่งรู้เมื่อตอนแกเป็นหนุ่มแหลแกเล่นที่จริงเล่นหนังสติ๊กกันเนี่ยก็นั่งอยู่บนกุิก็มองไปดูก็เห็นแกไปปล้นหนังสติ๊กเขาแต่วิธีปล้นในน่ากลัวนะเอามีดจ่อที่ซอเอลเอามีดจ่อที่ซอเอลแล้วก็ให้เพื่อนจับมือไพร่ข้างหลัง แล้วมันไปนปลดตัวหนังจะติ๊กตามแขนตามอะไรกระเป๋ากับเป๋อนี่เอาโอห น, นี่มันโจรนะ่ะเห็นปั๊บแล้วก็ตกใจไอ้ น, นี่มันโจรเนี่ยโดยเรียกขึ้นมาซักถามแกก็ยังคงอะไรอยู่นะคงมงตาทั้งมึงเลยนะเขาจับใต้ไม้เรียพวกเขียเ้ยนจะแหลกเลยไม้เรียวขาดแล้วก็เตะอีกเตะกลิ้งไปเลย อย่างนึกว่าเป็นการตีเด็กครั้งสุดท้ายแล้วก็กำลาบไปได้ว่าถ้าไม่กำลาบตรงนี้เด็กนี้เป็นโจทย์แน่นอนและในการต่อมาเนี่ยแกก็เคารพนับถือมากนะเคารพนับถือมากแกบอกแกเป็นผู้เป็นคนกับพระอาจารย์เนี่ยถ้าไม่ท้าอาจารย์ไม่ไ ม, ไม่ไม่เคียนตอนนั้นเลยจะ แ, แ, แย่เลยเคียนได้แผลเลยเนะก็ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยตีเด็ก พว่าโอ้มันไม่ไหวอะ่ะเราไปต้องทําบาปกับมันอะ่ะแต่ว่าท่านในกรณีนี้ถ้าไม่ตีก็ไม่ได้เหมือนกันต้องสร้างสัญชาตญาณใหม่ให้แก่แๆเลยต่อมาเดี๋ยวนี้พวกนี้อายุก็ตั้งห้าหกสิบปาแล้วมั้งหกสิบาปาแล้วเคารพนับถือเออก็เชื่อฟังอยู่แม้แต่ตอนบวชเนี่ยก็ยั ง, ยงเชื่อคนเดียวเชื่อมาอยู่คนเดียวเลยแต่เราก็ต้องไปทําบาปอะ่ะไปตีเด็กอย่างงั้นก็ บ, บาป อันนี้คือคือปัญหาที่ต้องแก้ไขเราก็ต้องเสี่ยงบ้างไม่ใช่ว่ากลัวกลัวบาปคือเราทำโดยไม่ได้เจตนาเราไม่ได้เจต เ, เจตนาเบียดเบียนเขาแต่เป็นวิธีการวิธีการว่าในในแง่ของพระวินัยในที่จริงเขาให้ลงโทษนะลงโทษสามเดชเรียกทันตกรรมให้ลงโทษจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้สามารถลงโทษได้มันเป็นวิธีฝึกคน เวลาเนี้ยเราไปอะไรทิชไม่เรียวเองอะไรเนี่ยไปเอามาอย่าลืมนะฮะว่าไม่เรียวในสร้างชาติสร้างบ้านเมืองมานะคนถ้ามันกระด้างแล้วเนี่ยเราใช้วิธีสอนอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันจะต้องสร้างสรรชาติยานใหม่ให้แก่แกโดยวิธีอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ให้รู้สึกหลาบจำานละในโอกาสต่อไปคอยดูกันแล้วกันต้องกลับมา เวลานี้ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะฮะบ้านเมืองยิ่งหนักกว่าเดิมอีกประการต่อไปก็คือลักซ่อนอย่างที่บอกไว้ในบนกรรก่อนก็คือเห็นของก็ตกหรือเขาวางไว้หรือว่าเขาเจ้าของก็เผลออะไรก็ตามเนะี่ยฮะเอาอะไรไปปิดไว้บังไว้คลุมไว้ทับไว้เอหรือว่าจนถึงก็เอาไปซ่อนไว้ในที่อื่นแล้วเมื่อเจ้าของเขาหาไม่เจอแล้วตัวเองค่อยมาเอาในะตอนหลัง เราลองสังเกตนะใจใจแบบนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรเลข้าของมันก็ไม่ได้มากมายกายกองอะไรแต่ว่าทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นคนของตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของนี่ก็คือคนแล้วก็ตัวก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเราอะไรนักหนาก็มีหนึ่งหัวสองมือสองตัวหนึ่งตัวสองแขนส อ, ข ส, อสองขาสองสองขาเหมือนกัน เขาถ้ามาห้ากินกันได้ทําไมจะต้องไปช่อฉนต้องไปยักโยอกต้องไปช่อโกงอย่างนั้นพวกนี้ถ้าพอเราเห็นบาปบุญขุนโทษแล้วเนี่ยจะกระดากนะจะอายที่จะกินของอย่างนั้นที่จะรับของอย่างนั้นที่จะมีของอย่างนั้นไว้ในครอบครองของที่อยู่ภายในครอบครองของเราต้องโปร่งใสต้องบริสุทธิ์ต้องหมดจดต้องไม่มีปัญหา แนตัวเนี้ยมันก็กลายเป็นเป็นธรรมะข้อสำ ม, มาชีพคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบปะัะการการการแสวงหาการได้มาการครอบครองเนี่ยทุกขั้นตอนไม่มีปัญหาพะการแสวงหาก็ต้องแสวงหาในทางที่ชอบที่ควรการได้อะไรมาเนี่ยมันได้โดยวิธีใดซึ่งถือว่าชอบควรก็ก็ได้โดยวิธีนั้นพอครอบครองเราก็ครอบครองสิ่งที่ได้มาในทางที่ชอบทำ บริโภคใชสอยมันก็มีความสง่าความภาคภูมิไม่ใช่เนื้อบาปหนังบาปเกิดขึ้นด้วยข้าของเงินทองที่ช่อชนลักกโมยหลอกลวงต้มตุนใครเข้ามาทั้งฟังทั้งหลายใตร่มพระพุต ธ, ธญาณในวันนี้ขอยุดติไว้ด้วยเวลาเป็นครัน้นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี